ไม่มองเห็นสิ่งต่างๆอย่างตื้นๆผิวเผินเป็นขั้นสำคัญในการสร้างปัญญาที่บริสุทธิ์เป็นอิสระทำให้พึ่งตนได้และนำไปสู่จุดหมายของพุทธธรรมอย่างแท้จริงความสาคัญของโยนิโสมนสิการในโยนิโสมนัสิการสัมปทาสูตรสังยุตตนิกายมหาวาระวัชมีพุทธพธว์ว่าภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตรฉันใดความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการก็เป็นตัวนําเป็นบุพภิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยะอัสดางคิกมัตตแก่ภิกษุฉันนั้นภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการพึงหวังสิ่งนี้ได้คือจักเจริญจักทําให้มากซึ่งอริยะอัสดางคิกมัตต ในสุริยปมสูที่สองสั่งยุตินิกายมหาวาระมีพุทธพ์ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงเงินแสงทองเป็นบุพนิมิตมาก่อนชั้นใดโยนิโสมนสิการก็เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของโพ่ชงเจดแก่ภิกษุชั้นนั้นภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ พึงหวังสิ่งนี้ได้คือจักเจริญจากทำให้มากซึ่งพ่อจงเจ็ดในกายสูตรสั่งยุตินิกายมหาวาระมีพุทธพนธว่าภิกษุทั้งหลายร่างกายนี้ดำรงอยู่ด้วยอาหารอาศัยอาหารจึงดำงดาารดำงอยู่ได้ไม่มีอาหารหาดำรงอยู่ได้ไม่ฉันใดนิวรห้าก็ฉันนั้นเหมือนกัน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 เพราะโยนิโสมนสิการเพราะโยนิโสสัมมาประธานการตั้งความเพลียนชอบถูกวิธีเราจึงได้บรรลุอนุตตระวิมุตติจึงได้ประจักษ์แจ้งอนุตตราวิมุตติแม้เธอทั้งหลายก็จะบรรลุอนุตตราวิมุตติได้ประจักษ์แจ้งอนุตตราวิมุตติได้เพราะโยนิโสมนสิการเพราะโยนิโสสัมมาประานในสัพภาสะสังว ร, รสูตร มัจิมานิกายมูลปัญ น, นาตมีพุทธพ์ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายว่าสาเร็จได้แก่ผู้รู้ผู้เห็นมิใช่แก่ผู้ไม่รู้มิใช่แก่ผู้ไม่เห็นเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงจะมีความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเมื่อรู้เห็นวิธีทำให้เกิดและไม่ให้เกิดโยนิโสมนัสิการ และอโยนิโสมนาสิกานเมื่อมนาสิการโดยไม่แยบคายอาสะวะที่ยังไม ird, ่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอาสะวะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญเพิ่มพูนเมื่อมนาสิการโดยแยบคายอาสะวะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและอาสะวะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถูกละได้ในกุศลสูตรที่สองสั่งยุติกายมหาวาระ มีบทโพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายทำทั้งหลายเหล่าหนึ่งเหล่าใดก็ตามที่เป็นกุศลอยู่ในภาคกุศลอยู่ในฝ่ายกุศลทำเหล่านั้นทั้งหมดมีโยนิโสมนสิการเป็นหมูนรากประชุมลงในโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเรียกว่าเป็นยอดของทำเหล่านั้นในมหาลิสูตรอังกุตตรนิกาย ทศกัณนิบาตกษัตัิยทลิ์จวีพระนามว่ามหาลิทูลถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อการกระทำกรรมชั่วเพื่อความเป็นไปแห่งกรรมชั่วพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูกรมหาริโลภะโทสะโมหะอโยนิโสมนสิการจิตที่ตั้งไว้ผิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อการกระทำกรรมชั่ว เพื่อความเป็นไปแห่งกรรมชั่วอโลภะอโทสะอโมหะโยนิโสมณสัสการจิตทีต่ตั้งไว้ชอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อการกระทำกา ร, รยานกรรมเพื่อความเป็นไปแห่งกา ร, รยานกรรมในอังคุตรนิกายเอกนิบาตข้อที่6 8 9 2 1 2 4และข้อหมีพุทธพจน์ที่นำมาประมวลกันได้ดังนี้ว่า เราไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือให้อากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนโยนิโสมานสิการเลยเมื่อมีโยนิโสมานสิการกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเราไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้สักอย่างที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ ที่เป็นไปเพื่อความดํารงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่อันตรธานแห่งสัตรรมเหมือนโยนิโสมนัสิกาเลยโดยกำหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายในเราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอื่นแม้สักข้อหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่เหมือนโยนิโสมนัสิกาเลยในเสกสูตรที่หนึ่งสังยุตติายสคาตวัรรมีพุทธพ์ว่า สำหรับภิกษุผู้เสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมเราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายในอย่างอื่นแม้สักอย่างที่มีประโยชน์มากเหมือนโยนิโสมนัสิการเลยภิกษุผู้ใช้โยนิโสมนัสิการย่อมกำจัดอกุศลได้และบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นในอังคุตรนิกายเอกนิบาศข้อที่186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 และสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญยิ่งขึ้นเราไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้สักข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้โพธิชงที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือให้โพธิชงที่เกิดขึ้นแล้วถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์เหมือนโยนิโสมณสิการเลยเมื่อมีโยนิโสมณสิการโพธิชงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและโพธิชงที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์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 และโทส์ที่เกิดแล้วก็ถูกละได้โยนิโสมณสิการโดยทั่วไปเป็นเหตุให้โมหะไม่เกิดและโมหะที่เกิดแล้วก็ถูกละได้เมื่อโยนิโสมณสิกานนิวรณห่าย่อมไม่เกิดที่เกิดแล้วก็ถูกกำจัดได้ในขณะเดียวกันก็เป็นเหตุให้โพชฌงเจตเกิดขึ้นและเจริญเต็มบริบูรณ ในถ่าสุดตรสัสรู้ที่คณิกายปาติกวักท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าทำเก้าอย่างที่มีอุปการะมากได้แก่ทำเก้าอย่างซึ่งมีโยนิโสมนสิการเป็นมูลกล่าวคือเมื่อโยนิโสมนสิการปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมตปีติย่อมเกิดเมื่อมีใจปีติย่อมเกิดปัจสัตติ